ยุคนี้คนสนใจกรรมฐานเยอะนะเรียนแต่ก่อนไม่มากอะแต่ก่อนเข้าวัดส่วนมากก็ทําบุญเดีย๋ยนี้มาเรียนกรรมฐานดีที่สุดเลยศา ส, สนาพุทธมีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่ามากเเกินถ้าเราศึกษาได้นะชีวิตเราจะมีความสุขความทุกข์จะค่อยๆหายไปจากชีวิตเรา ยิ่งฝึกนะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชตอนหัดภาวนาใหม่ๆอยากบวชนะแต่ภาระเราเยอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ทิ้งพ่อทิ้งแม่มาบวชก็แก่แล้วลเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เวลาไปหาครูบาอจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นก่อนหลวงพ่อเจอหน้าทีไร น, นะท่านเรียกให้บวชทุกทีเลย เราก็ไม่อยากเจอท่านนานนานนา น, น, า น, นานถึงยอมไปเจอทีงแล้วท่านชอบเรียกให้บวชอยู่มาเรื่อยๆนะจนปี2540นีกว่าแล้ววันหนึ่งก็ไปกราบท่านอาจจะไม่ถึง4ี่สิบเนราวๆนั้นท่านก็ชวนให้บวชอีกบอกบวชนาบวชแล้วจะได้มาช่วยกันทำงาน หลวงพ่อก็อรีบคิดเลยหาอุบายต่อสู้ท่านนะเพื่อจะไม่ต้องบวชถามท่านบอกท่านสอนพระมาเยอะแล้วมีพระเข้าใจบ้างไหมท่านบอกก็พอมีบ้างบอกอ๋อก็ให้ท่านที่พอรู้เรื่องแล้วแหละสอนไปสิให้ช่วยไป <c oughs> ท่านเจอเราทีเด็ดอย่างนี้นะท่านอึ้งเลยนี่ท่านอึ้งเป็นพักหนึ่งเลยนะ แล้วท่านก็เลิกรบเราหลวงพ่อเปรย์ๆขึ้นมาคนเราก็แปลกนะของดีอยู่ต่อหน้าต่อตานะความสุขยิ่งใหญ่อยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นก็เห็นอยู่เอาก็เอาได้แล้วไม่เอาท่านบอกเอาก็เอาได้นะแล้วไม่เอาเนะเขาเรียกว่าคนประมาทท่านใช้ไม้ตายนะท่านด่าว่าประมาทแหมนได้ยินแล้ว แย่จังชาพุทธเนี่ยถ้าด่าว่าประมาทเนี่ยนะแย่มากแล้วนะเป็นคำที่เลวร้ายรองจากมิจฉาทิฐิ <c oughs> รีบลาท่านนะออกมาจากศาลาแม่ชีรีบชวนเลยตอนนะั้นบอกบวชเธอพี่ท่านพูดถึงขนาดนี้แล้วท่านชวนไม่บวชนะแม่ชีชวนบวชเลย กลับเข้าไปหาท่านใหม่ไปบอกท่านวนะ่าเดี๋ยวตกลงผมจะบวชนะแต่ผมต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก่อนพ่อแม่เราไม่มีใครดูแลเราทิ้งพ่อแม่ไม่ได้ถึงมาบวชนนะใจเราก็ไม่มีความสงบหรอกเพราะเราเป็นห่วงพ่อแม่แล้วง <c oughs> บางคนอย่ารีบร้อนบวชนะดูก่อนเคลียร์ภาระในโลกซะก่อนนะแต่อย่าหาภาระเพิ่มเคลียร์ภาระปัจจุบันซะ บางคนเคลียร์ไปเคลียร์มานะปารามากกว่าเก่าะผมต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันกลายเป็นเลี้ยงลูกไปเสร็จแล้วเลี้ยงหลา น, นชาตินี้ไม่ได้บวชหรอกไม่ได้ภาวนาหลวงพ่อเล็กกว่าจะบวชอายุเยอะอายุตั้งสี่สิบแปดกว่าจะได้บวชสมัยหลวงปู่ ด, ดูลยังอยู่นะเรียนกับท่านเราเข้าใจธรรมะล้ขยับขยับจะถามท่านหลายทีนะว่าผมจะได้บวชไหมเนี่ย แต่เสร็จแล้วไม่กล้าถามกลัวถูกท่านดา่าเอาเอาครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเนี่ยไม่ถูกนะครูบาอาจารย์เป็นของสูงไปใช้ท่านดูหมอให้ไม่ถูกต้องเลยก็ไม่ถามท่านนะยึกยักยึกยั ก, ย ก, ยกไม่กล้าถามหรอกรู้สึกละอายแก่จใจที่จะถามเลยคิดว่าอถ้ามันมีเหตุปัจจัยสมควรก็คงได้บวชหรอกถ้ายัางไม่สมควรก็คงชาตินี้ก็เป็นคารวะนี้แหละภาวนา แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นคารวะแล้วไม่ภาวนาคารวะก็ทําได้นะขั้นต้นๆนขั้นต้นๆนั้นคารวะทำได้แนตะ่ขั้นสุดท้ายจริงๆนะ้นารวะทำยากต้องศึกษานะต้องค่อยๆฝึกฝนอบรมจิตใจของเราไปเรื่อยๆเป็นคารวะเราก็ทําไปเท่าที่ทําได้อย่างคารวะจะมาให้ทําความสงบจนเป็นอัปปนาสมาธิแล้วมารู้กายอะไรทำยาก ความสงบของคาราวาตัตไม่ค่อยมีหรอกเปิดโทรทัศน์ก็วุ่นวายแล้วรู้สึกไหมเปิดวิทยุก็วุ่นวายหยิบหนังสือพิมพ์ก็วุ่นวายคุยกับคนอื่นก็วุ่นวายมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งหมดเลยจะไปภาวนาให้สงบซะก่อนแล้วถึงจะทาวิปัสสนาเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้ทำหรอกเพรฉะนั้นคารวาตัตก็ต้องหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับคารวาตัตวิธีที่เหมาะกับคารวาตัตก็ต้องเป็นวิธีที่อันแรกเลย ต้องไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินอย่าไปนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงก็คงอดตายนะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตวันๆเอาแต่นั่งสมาธิก็คงเจ๊งขนาดปากกัดตีนถีบยัยงเอาตัวรอดยากเลยถึงวันนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ฆราวาสทํากรรมฐานต้องเลือกกรรมฐานที่มันไม่เครียดเกินไปไม่ไม่ยากชีวิตฆราวาสมันเครียดสุดขีดอยู่แล้ววันวันหนึ่ง ถ้าทำกรรมฐานเราก็เครียดอีกมนะัน mm hmm. คล้ายๆป่วยมาโรคหนึ่งแล้วมาป่วยซ้ำอีกโรคทนไม่ไหวทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นคารวะก็ต้องฝึกกรรมฐานซึ่งมันแบบคล้ายๆฟ mm hmm. าสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยนะง่ายๆสบายๆอ้าปากขึ้นก็งับงับงับแล้วก็เสร็จทุระแล้วเนะ mm hmm. <laughs> ยามาให้ภาคเพียนนะโอ้หุงข้าวต้มแกงอะไรเงี้ย หาปลาหาอะไรมาทำเองคงยากนะแค่ดำรงชีวิตยังยากเลยทำกรรมฐานแล้วโอ้โหจะต้องเริ่มมีพิธีกรรมมากมายบางคนทำพิธีเยอะไปหลวงพ่อนึกตำหนิอยู่ในใจแต่ไม่ได้ตำหนิด้วยวาจาหรอกเดี๋ยวเขาเตะเาบางคนนะกว่าจะเริ่มทำกรรมฐานได้นะเริ่มต้นต้องสวดมนต์ก่อนสวดไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เริ่มเลย อ่านสวดเสร็จแล้วก็ต้องอาราธนากรรมฐานมีบทอาราธนาด้วยนะกรรมฐานอะไรต้องอาราธนาเคยได้ยินไหมอะไรขอเชิญอะไรปิติอะไรทั้งสี่วัดสีทั้งห้าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะเชิญอยู่นั่นแหล ะ, ะเชิญเสร็จหมดแรงได้เวลานอนแล้วนั่นต้องประหยัดเวลานะกรรมฐานยุคนี้ต้องเร็วนะต้องรวดเร็ว เราต้องเห็นผลเร็วด้วยไม่ใช่ทำไป10ปี20ปีก็ยังเหมือนเดิมทนไม่ไหวหรอกนะกิเลสมันดึงดูดไปตลอดเวลาในการดูจิตดูใจเลยเป็นกรรมฐานที่เหมอกับฆรวาสันแรกเลยการดูจิต ด, ดูใจของเราเนี่ยไม่เบียดบางเวลาทำม า, ากินเราจะทำอะไรนะเราก็คอยดูของเราไปเรื่อยๆยกเว้นเวลาที่ต้องคิดมากๆเท่านะั้นเวลาที่เหลือเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราไปเป็นระยะระยะ มีงานก็ทําไปต้องคิดก็คิดไปแต่พอคิดแล้วเกิดความเครียดขึ้นมารู้ทันนะหรือดูแลบริษัทอยู่ลูกค้าจู้จี้มากหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดไหมเราจะรีบทํางานนะเดี๋ยวก็คนนั้นมาติดต่อคนนี้มาติดต่อ ร, รําคาญรู้ว่ารำคาญทําไปแล้วเอา้าน้ำมันก็ขึ้ น, นโน่นก็ขึ้ น, นนี่ก็ขึ้นนะอะไรๆยกเว้นราคาสินค้าไม่ยอมขึ้นเลยลูกค้าจะซื้อถูกๆนี้ เครียดก็รู้ทันไปขายรู้ไปเรื่อยๆนะวันนี้ขายของได้ดีนะดีใจรู้ว่าดีใจเนี่เราฝึกกรรมฐานนะเรฝึกอยู่อย่างเนี้ยนะวันหนึ่งเราก็ได้ผลเหมือนกันหลวงพ่อเคยรู้จักนะมีแม่ค้าที่สุรินทร์คนนึงแม่ค้าขายผักแกนั่งขายผักไปแกก็ดูจิตมึงแกไปผักแกขายดีนะั้ะแกก็ดูจิตมึงแกผักแกเหี่ยวแล้วแกก็ดูจิตมึงแกแกไม่เหี่ยวด้วย เมื่อไม่กี่วันนี้อาทิตย์ก่อนนี้ก็มีผู้หญิงมาจากทัทยายุเยอะหน่อยนะแะแกก็เก็บผั ก, กเก็บอะไร้แกอยู่อย่างนี้โอ้แกภาวนาดีนะคือเขาทำอะไรเขาก็คอยดูทำไมมันเกี่ยวกับผักตลอดทังไม่รู้สองราย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บอกให้กินผักนะคืองานนะทำงานก็ทำไปอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนเป็นคารวะทำงานที่ต้องคิดต้องวิเคราะห์ ติดตามข่าวสารตลอดวันเลยครึ่งวันเนี่ยคืองานเช็คข่าวครึ่งวันที่เหลือเป็นงานประชุมเวลาที่ทํางานจริงๆมักจะนอกรอบวันวันหนึ่งยุ่งยุ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ภาวนาของเราไปได้อย่างเราเขียนเปนเปอร์ขึ้นมาสักชิ้นนึงเอาไปพรีเซนต์เอาไปเสนอแม้ที่ประชุมเขาชมนะใจเราพองเเรารู้ว่าเขาพอง บางคนแนละเราเห็นหน้ามันมาร่วมประชุมเรารู้เลยวันนี้ต้องยุ่งแน่ไอ้นี่จูจี้งี่เงา่านะตินอนตีนี่นะัเรื่องหยุ่มหยุ่มหยิมหยิมทำไมตรงนี้ไม่ใช่คําว่าและอนะทำไมไม่ไม่ใช้คําว่ากลับกลับแก่แต่ต่อและที่ซึ่งอันเ <c oughs> นี่ยภูมิปัญญาระดับอย่าบอกเลยระดับไหนระดับ <c oughs> ระดับที่คนต้องยืนกลุ่มเนี้ยเห็นหน้าไอ้นี่ก็เบือ่อใจมันเบือ่อรู้ว่าเบื่อเลย นี่แหละภาวนามาอย่างนี้นะทุกวันทุกวันจะกินข้าวจะอาบน้ําจะขึ้นรถเมย์ไปทํางานดูจิตดูใจของเราไปเรืยเห็นรถเมย์แน่นๆกลุ้มใจรถเมย์ไม่มาสักทีกลุ้มใจรถเมย์มาแล้วดีใจรถเมย์มาแล้วขึ้นไม่ได้กลุ้มใจอีกแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยดูอย่างเนี้ยนะขึ้นได้ก็ดีใจไปถึงแล้วขึ้นได้แต่ว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วยังอยู่ที่เดิมเลยรถติดมากก็ไม่สบายใจอีกแล้ว ถ้าดูของเราอย่างนีนะ้ฝึกของเราไปเรื่อยๆจะกินข้าวนะเจอของอร่อยถูกใจเราก็ดูเจอของไม่อร่อยใจเราไม่ชอบใจเราก็ดูฝึกดูอย่างนี้หลวงพ่อฝึกมาอย่างนี้ช่วงแรกๆพลาดไปเรื่องนะคือทิ้งสมถะไปอาศัยว่าทำสมถะมาตั้งแต่เด็กสะสมพลังของจิตใจมายี่สิบสองปีมาดูจิตพรวดๆ ร, ร, รวดไปมันไปได้รวดเร็ว พอผ่านมาสองสามปีนะทิ้งสมถะไปนานๆนจิตไม่มีแรงแล้วพอไม่มีกําลังแล้วจะเหมือนที่พวกเราหลายคนดูอจิตจะไปอยู่ข้างนอกมันจะไปนิ่งๆสว่างอยู่ข้างนอกนะนิ่งๆไปพักอยู่เฉย ๆ, ๆเรานึกว่าเราดูจิตอยู่แต่ดูไม่ถึงจิตนะนั่นที่หลวงพ่อบอกดูไม่ถึงฐานดูไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตไปอยู่ข้างนอกสัมนวนเดียวกันนะสัมนวนหลายๆสัมนวนแต่ว่าเนื้ อ, อาหาเดียวกันใจไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อเคยเป็นมาแล้ว ตอนนั้นไปเป็นไปติดอยู่ตรงนี้ตั้งนานเนะี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยู่แล้วมรณภาพไปมากแล้วเอ๊ะทำไมเราภาวนาหลายปีนะจิตมันคงที่อยู่แค่นี้จิตมันไม่พัฒนาครูบาอาจารย์ก็บอกมาทุกอง์ทุกองนะว่าไม่มีวิธีปฏิบัติที่ยิ่งกว่านี้แล้วถ้าภาวนาพเข้าถึงจิตถึงใจตนเองแล้วไม่มีวิธีที่ยิ่งกว่านี้แล้วทุกองเลยพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลย บางองค์ท่านก็ปรับใจว่าอย่าใจร้อนนะเหมือนผ ล, ลไม้ต้องรอเวลาสุกงอมนีเ่เราก็รอมานานแล้วนะมันไม่งอมสักจีวะนะ น, นั้นมีโอกาสขึ้นไปกราบจาันมหาบัวที่บ้านตาดขึ้นไปท่านยังเทศอยู่บนศาลายัางแข็งแรงหนุ่มกว่านี้เยอะไปกราบท่านบอกว่าท่านจายนครับทำไมผมภาวนาแล้วมันไม่พัฒนาเลย ครูบาอาจารย์ให้ดูจิตดูใจอยู่ก็ดูมาตลอดนะทำไมมันไม่พัฒนาท่านหันมามองหน้าวับท่านก็บอกเลยจิตท่านเร็วบอกที่ว่าดูจิตนั่นดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตตอนนั้นยังไม่เข้าใจนะทำไมดูไม่ถึงจิตเหมือนที่หลวงพ่อบอกพวกเราเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานมันไม่ถึงจิตมันไม่ย้อนเข้ามาดูกายดูใจบอกที่ว่าดูจิตนั่นดูไม่ถึงจิตแล้วนะ ต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่นบอกางนี้พาท่านสอนอย่างนี้นะเราก็กราบท่านเลยมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปได้โอพุโทโธไปนะเหมือนโลกจะแตกเลยมันทุกข์มันทุรนทุรายนะจิตมันกะสับประสายไปหมดเลยจิตมันไปติดความว่างๆมานานั้นอยู่ในความว่าง เนี่ยนั่งดูจิตต้องระวังเนละสิ่งที่อันตรายมากเลยคือไปติดความว่างดูไปดูไปแล้วก็ว่างอยู่เนงะี้ยเป็นปีๆก็ว่างอยู่เนงะี้ยเสียเวลาเพอท่านให้พุโทโธพุโทโธนะจิตมันต้องทํางานจิตมันเคยว่างงานมานานนะเพราะจิตมันทํางานมันมีทุกข์ทุรนทุรายหมดทุรนทุรายจนเอาไม่อยู่เลยฟุ้งซ่านแบบดูไม่ไหวเลยในสุดก็มานึกเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ว่าเราดูไม่ถึงจิต ค่อยๆสังเกตทำไมท่านว่าเราดูไม่ถึงจิตค่อยๆสังเกตลองทวนจะมาดูจิตแล้วก็ทวนเข้ามาไม่ได้มันไม่ทวนเข้ามาทวนเข้ามาก็ไม่ถึงที่อ๋อจิตไม่ตั้งมั่นออกขึ้นมาเลยไปเห็นสภาวะที่มันทวนเข้ามาไม่ได้เรืยจิตไม่ตั้งมั่นเราไม่ถนัดบริกรรมเราถนัดลมหายใจเรารู้ลมหายใจหายใจหายใจ ใจไปจิตก็ตั้งขึ้นมานะมันก็เดินต่อได้เราะนั้นจิตที่ตั้งมั่นก็สำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญเะั้นดูจิตไปบางคนที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งทำสมถะเราะฉะนั้นติดสมถะมาติดมางอมเงมเลยต้องเลิกซะก่อนทิ้งไปซะก่อนของที่ติดเนะียมาเริ่มต้นเอาใหม่มาหัดเจริญสติพอมีสติแล้วนะยังไงก็ทิ้งสมถะไม่ได้หรอกก็ต้องทาอยู่ดีแะแต่จะทาง่าย วิธีทาสมถะของคนเมืองนะง่ายๆพวกเราไม่ต้องกลุ้มใจนะหลวงพ่อบอกว่าต้องทําสมถะง่ายๆหาดดูจิตไปนี่แหละหาดูจิตไปเรื่อยๆนะแล้วก็สังเกตไปนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็ยรู้ทันนิวรณ์ใดๆเกิดขึ้นคอรู้ทันนิวรณ์มีห้าตัวนะกรรมฉันทะนิวรณ์คือความรักใคร่พอใจในอารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจมันติดอกติดใจในรูปเสียงกงลิ่นรสสัมผัสนั่นเอง พยาบาทนะใจที่ขัดเคืองขุ่นข้องนะความลังเลสงสัยนะความฟุ้งซ่านราคาญใจนะแล้วอะไรอกันหนึ่งอะไรนะความง่วง <c oughs> ทีนมิทะทีนัมิทะไม่ได้ปแปลว่าง่วงนะทีนัมิทะเป็นความที่จิตมันอ่อนกําลังนะไม่ใช่ง่วงเหงาหามนุษคนไทยมาแปลมั่วนะทีนมิทะ จริงๆทีนะมิถะเนี่ยเป็นกิเลสทีนะเนี่ยจิตมันซึมเศร้ามิถะเจตสิกมันซึมเศร้าไม่ปราดเปรียวทีนะมิถะเนี่ยจะเกิดร่วมกับอกุสลจิตห้าดวงอกูศตรจิตนะี ช, ชนิดที่เรียกว่าสังขาริกงังนะอย่าอย่าไปสนใจมันหนระือชักตาบ้องแบวขึ้นม า, นะนะนะาแล้วลงป่าแล้ทีนะมิถะไม่ได้แปลว่างว่วงนอนนะ ใจมันเฉื่อยช้ามันซึมเศร้ามันไม่ยอมรู้สภาวะกระทั่งจะทำชั่วนะยังเฉื่อยเลยต้องถูกยั่วแรงๆนะใจถึงจะชั่วเต็มๆขึ้นมาได้นี่นิวรณ์นะถ้าเรามีสตินิวรณ์ใดเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันใจมันซึมเราก็รู้นะใจฟุ้งซ่านใจลำคาญใจใจสงสัยใจมีพยาบาทใจติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสผทตภะ เราคอรู้ทันทันทีที่รู้ทันนียสติเกิดนะไอ้ตัวนี้จะดับหมดนิวรณ์ดับหมดทันทีที่นิวรณ์ดับหมดนะสมาธิจะเกิดเองใจจะตั้งมั่นเองเพราะว่าศัตรูของสมาธิไม่มีแล้วนี่เป็นวิธีสําหรับพวกดูจิตนะที่จะให้ใจตั้งมั่นมีวิธีหนึ่งที่ง่ายๆนี่วิธีนี้ต้องคิดค่าโนฮาว์วิธีที่ง่ายๆเลยคือรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น ยงจิตเราไปว่างอยู่ข้างนอกเรารู้ทันว่าจิตไปว่างอยู่ข้างนอกมันจะทวนเข้ามาตั้งมั่นเองนะรู้ทันมันมันจะกลับมาตั้งมั่นเองไม่ต้องดึงถ้าพวกเรารู้สึกจิตอยู่นอกๆแล้วเราพยายามไปดึงเนี่ยมันจะแข็งแข็งแน่ น, น, นๆขึ้นมาใช้ไม่ได้ให้เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งเองนะอีกพวกหนึ่งถ้าคนไหนทาชาญได้ก็ทำชานนะพรนิวรดับฌานเกิดใจจะตั้งมั่นขึ้นมา ค่อยฝึกเอานะค่อยๆฝึกทำยังไงสติจะเกิดทำยังไงใจจะตั้งมั่นถ้าเรามีสติเนืองๆรู้กายบ่อยๆรู้ใจบ่อยๆแล้วใจเราตั้งมั่นปัญญามันจะเกิดจำไว้นะปัญญามันเกิดจากเครื่องมือสองตัวตัวหนึ่งมีสติตัวหนึ่งมีสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นพวกปฏิบัติเนี่ยมักจะฝึกสติกันแต่ฝึกสติผิดวิธี เราชอบเอาสติไปกำหนดนะเช่นเราพยายามให้มีสติโดยการไปรู้ลมหายใจหรือไปรู้ท้องผ่องยุบยกตัวอย่างนะามจริงไปรู้อะไรก็เหมือนเหมือนกันหมดเ่ะไปรู้ลมหายใจแล้วเราจ้องอยู่ที่ลมเลยไม่ให้จิตคลาดไปจากลมเราบอกนี่ฝึกสติอันนี้ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่สติปัฏฐานหรอกนี่เป็นสติธรรมดาธรรมดาใช้ไม่ได้ไปดูท้องผ่องยบแล้วจะเพ่งอยู่ที่ท้องจิตไม่หนีไปไหนเลย แัะ น, นั้นมันเป็นวิธีทมสมถะไม่ใช่ฝึกสติเพื่อให้เกิดการเจริญวิปัสสนาสติแท้จริงนั้นเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นไม่ใช่เกิดจากการบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะชอบไปบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่บังคับให้มันนิ่งนิ่งในความเป็นจริงแล้วสติเกิดจากจิตจาสภาวะได้แม่น หัดรู sociedad, ้สภาวะไปเรื่อยสภาวะใดๆเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกสภาวะใดๆเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกอันไหนเด่นรู้สึกอันนั้นเช่นร่างกายเรามันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็รู้สึกรู้สึกเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยไปอยู่ส่วนหนึ่งใจที่รู้ความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกค่อยๆดูค่อยๆแยกไปเรื่อย หรือดูสภาวะในใจความโลภมันเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธมันเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดขึ้นก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่สงสัยเกิดขึ้นก็รู้อิจฉาริษยาอะไรเกิดขึ้นก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆการหัดรู้สภาวะเนืองๆนั้นจะทำให้จิตจำสภาวะได้แม่นเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสภาวะตัวที่จิตจาแม่นมันเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เกิด เนื้อสติที่เกิดเองโดยไม่เจตนาให้เกิดนี่เป็นสติที่มีกําลังกล้าเอาไว้ทํำวิปัสนาสติที่จงใจทําให้เกิดเช่นกําหนดไปเรื่อยกําหนดลมหายใจกําหนดมือกําหนดเท้ากําหนดท้องเป็นสติที่มีกําลังอ่อนเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนเพราะต้องโน้มนําให้เกิดเรียกว่ามหากุศลรจิตลงท้ายด้วยสัสงขาริกังหรือต้องจงใจน้อมมันให้เกิดน้อมนำําจูงใจให้เกิด สติที่กําหนดกําหนดนะก็เป็นสติเหมือนกันแต่เป็นสติที่ไม่มีกําลังแก่กล้าเป็นสติที่เอาไว้ใช้ใชทําสมถะนะสติที่เกิดขึ้นเองเพราะว่าจิตจําสภ า, าวะได้แม่นเป็นจิตชนิดที่เรียกว่ามหากุศลจิตอสังขาริกังอสังขาริกังเกิดเองจิตจะมีกําลังกล้ากุศลมีกําลังกล้า พาสติเกิดเองนะจะรู้ทันสภาวะทันทีที่รู้ทันสภาวะนะใจมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาใจจะตั้งมั่นแต่ตั้งได้แวบเดียวถ้าตั้งไปตั้งไปบางทีพอสภาวะเกิดหลายๆทีดูไปเรื่อยๆนะหลงตามสภาวะนี่ใจไม่ตั้งใจไหลตามสภาวะเนี่ยไหลไปพอสภาวะดับนะใจเลยไปว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ที่พวกเราภาวนาเราไปว่างๆไว้ข้างนอกใจมันไหลไปโดยที่ไม่เห็นนั่ใจถ้าใจเคลื่อนไปคอยรู้สึกใจเคลื่อนไปคอยรู้สึกนะ หัดรู้สึกวิธีหัดรู้สึกใจที่เคลื่อนนะสมมตินะดูหัวแม่มือตัวเองเอาหัวแม่มืออยู T ่ห่างๆหน่ก็เพ่งไว้เพ่งเพ่งเพงนะให้จิตไปรวมอยู่ที่หัวแม่มือนะพอจิตไปรวมอยู่ที่หัวแม่มือเรารู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่หัวแม่มือแล้วหัวแม่มือนี้มั่งเราเปลี่ยนมาหัวแม่มือนี้มั่งใจเคลื่อนไปนะหรือเมื่อยนะก็เหยียดขาไปดูหัวแม่เท้านะเห็นใจมันไหลไหลไหลไปถ้าไม่ไหล่เราเห็นใจที่ไหลไปนะตาแปใจจะไม่ไหล ไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับเลยเพราะมันจะขยับไหลเราเห็นปับนะ๊บใจจะตั้งมั่นเข้าฐานเลยนี่ก็เป็นโน้ทาวนะ <c oughs> ในตำราไม่มีหรอกนะงั้นเราใครรู้ทันใจที่ไหลรู้ทันใจที่ไหลแล้วใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเนะี่ยต่ลันต่ลันนะกว่าจะได้มานะปางตายนะงั้นฟังฟังแล้วก็อุทูไว้ข้างหนึ่งนะ <c oughs> การมันเข้าหูหนึ่ง <c oughs> ออกอีหัวหนึ่ง <c oughs> ฟังหูเดียวพอเขาเรียกฟังหูไว้หูถ้าฟังสองหูเปิดสองหูมันไหลหนีไปหมดแล้วก็นะดูไปนะหัดดูสภาวะไปหัดดูสภาวะเรื่อยๆนะความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้หัดดูอย่างเนี้ยแล้วก็หัดดูใจที่ไม่ตั้งมั่นใจที่ไหลไปไหลมาเดี๋ยวไหลไปที่ตาเดี๋ยวไหลไปที่หูเอาทดสอบคนที่มาใหม่นะคนเก่าไม่เป็นไร คนที่มาใหม่ๆลองดูพระพุทธรูปนะดูตรงยอดนะไม่ต้องดูที่อื่นรู้สึกไหมใจไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมใจมันเคลื่อนไปอยู่ที่พระเอาเลิกดูพระพุทธรูปหันมาดูหลวงพ่อแทนนะรู้สึกไหมใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อใจมันเคลื่อนได้นะเนี่ยหัดดูอย่างนี้พอละเดี๋ยวหลวงพ่อหน้าหน้าด้านหมดเลยมองมากนะหัดสองอันนะหัดอันแรก สภาวะใดๆเกิดขึ้นในกายในใจคอรู้สึกบางคนรู้สึกกายถนัดบางคนรู้สึกใจถนัดรู้สึกกายเช่นกายมันปวดมันเมื่อยกายมันหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกรู้สึกอย่าไปเพ่งใส่มันบางคนดูจิตถนัดก็ดูความรู้สึกในใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวหดหูเดี๋ยวฟุ้งซ่านดูอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆหัดดูสภาวะแล้ววันหนึ่งสติจะเกิดสติจะเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิด อีกอย่างหนึ่งก็หัดดูใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวมันวิ่งไปดูวิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปฟังวิ่งไปทางหูมันวิ่งไปวิ่งมามันลืมตัวเองวิ่งไปทางตานะไปดูอย่างดูพระพุทธรูปเราก็ลืมกายลืมใจเห็นไหมเราฟังหลวงพ่อพูดฟังเสียงฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปไม่รู้ว่าฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดรู้ไม่ทันจิตไหลไปแก่การฟังบ้างจิตไหลไปแก่การคิดบ้าง เราก็ลืมกายลืมใจใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เรียกว่าขาดสัมมาสมาธินะแต่ใจเพ่งกายเพ่งใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมเนี่ยไม่เรียกว่าสัมมาสมาธินะเรียกว่ามิจฉาสมาธิใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่เรียกว่ามีสัมมาสมาธิแต่เพ่งแบบจะกระดุกกระดิกรู้สึกหมดเลยเพ่งเพ่งเพ่งใจแนบลงไปในร่างกายเพ่งเอาไว้อย่างนี้ อย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้เป็นการทำสมถะเด็กนี้กำลังสงสัยมากสงสัยแล้วก็หนีไปคิดรู้สึกไหมมันลืมตัวเองในปัจจุบันค่อยๆฟังนะฟังทีเดียวยากเอาซีดีไปฟังฟังแล้วฟังอีกคนที่ฟังแล้วก็ไม่คิดมากนะตื่นขึ้นมานับจำนวนไม่ท้วนละมันอยู่ที่รู้สึกตัวให้เป็นนะนะั่นแหละมีสติขึ้นมาให้เป็น มีใจที่ตั้งมั่นให้เป็นพอใจเรามีสติมีความตั้งมั่นและปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงของกายของใจเราจะเห็นเลยว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่พองที่ยุบเลยนี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสติระลึกรู้กายจะเห็ น, นทันทีว่ากายนี้มันไม่ใช่ตัวเราจะเห็ น, นทันทีว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรา จะ <S an itar isation> เห็นทันทีนะว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเดินมาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เข้าบ้านนะเดินผ่านหน้าบ้านส่วนพวกเราเนี่ยพอเห็นมันเดินผ่านหน้าบ้านเราจะกระโดดเข้าไปไปไล่มันมันเดินผ่านหน้าบ้านเขาไม่ยอมนี่พวกคนรักดีส่วนพวกคนรักชั่วรีเปิดประตูเชิญเข้าบ้านนี่พวกรักชั่นะส่วนพวกที่ภาวานาเป็นนะ ดูเฉยๆไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามาแล้วก็ไม่วิ่งตามเขาไปนะเห็นกิเลสมา ก, ก็ผ่านไปเฉยๆมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะพวกรักชั่วนะจะเปิดประตูให้กิเลสเข้าบ้านให้มันครอบครองหัวใจเราพวกรักดีเห็นกิเลสเนะี่วิ่งออกไปไล่ตีมันนะเสร็จแล้วก็จะสมสารกลับมาไม่มีใครสู้มันไหวหรอกนะเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าโลกที่แท้จริงไม่ใช่ประธานาธิบดีอเมริกันหรอกนะตัวเจ้าโลกที่แท้จริงก็คือกิเลสนั่นแหละ มัสั่งประธานาธิบดีก็ได้นะนี่เราคอยรู้สึกนะรู้ไปรู้ไปนะด้วยใจที่เป็นกลางใจที่ไม่เตแต่ต่อต้านใจที่ไม่ได้คล้อยตามกิเลสไม่ต่อต้านเนแล้วก็ไม่คล้อยตามรู้เฉยเฉยหรือรู้กายก็รู้เฉยเฉยนะอย่าถลําไปเพ่งกายอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นสบายๆจิต ท, ที่ไม่คล้อยตามจิต ท, ที่ไม่ต่อต้านนะ ถ้าฝึกไปอย่างนี้เข้าใจสองตัวนี้นะเข้าใจวิธีให้เกิดสติกับวิธีให้เกิดสมาธิใจมันจะตั้งมั่นใจตั้งมั่นแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาก็คือการเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างอื่นไม่เรียกว่าปัญญานะต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะเรียกว่ามีปัญญาถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปใจมันจะเบื่อหน่าย จะคลายความยึดถือออกไปแล้วก็ปล่อยวางนะพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงหมายถึงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์เพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพระเบื่อหนายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือคลายความรักใคร่เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกนะ ทำแล้วทำทีเดียวเสร็จเลยไม่ต้องย้อนไปย้อนมาอย่างบางคนคิดว่าเป็นพระลหันใช่ไหมวันนี้หันแวพรุ่งนี้ก็หันไปตีเขาอีกแล้วอีกวันหนึ่งหันเป็นพระลหันอีกแล้วอย่างนั้นมันประเภทหมูหันนะหมูหันหมาหันหันไปหันมาฝึกไปเลยนะฝึกไปหัดรู้สภาวะแล้วก็หัดรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาหัดสองอันนะหัดรู้สภาวะ ความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดก็รู้ความทุกข์ความสุขนะความโกรธความลังเลสงสัยอิจฉาริษยาความกลัวความกังวลเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในใจคอยดูมันไปเรื่อยดูเล่นเล่นไม่ใช่ดูให้หายนะดูเล่นเล่นดูสภาวะเพื่อทำความรู้จักมันความโกรธเกิดขึ้นอ้อความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเกิดขึ้นมาอย่างนี้เอง ความโลภความโกรธความหลงความสงสยัยความฟุ้งซ่านความหดหู่นะสภาวะใดๆเกิดขึ้นหัดรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติจะเกิดเองต่อไปอะไรเกิดขึ้นสติะระลึกเองโดยที่ไม่ได้เจตนานี่พอะระลึกแล้วใจต้องตั้งมั่นเป็นกลางนะไม่ถลำลงไปรู้ไม่ลงไปที่อื่นไม่คล้อยตามกิเลสไม่ต่อต้านกิเลสรู้ด้วยความเป็นกลางมันเป็นกลางขึ้นมาได้เพราะเรารู้ทันมันนั่นแหลนะเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามามันจะตั้งมั่นขึ้นมา ถ้าตั้งมั่นขึ้นมาแล้วคราวนี้มันยินดีขึ้นมาก็รู้ทันมันยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันความยินดียินร้ายดับไปนะใจก็เป็นกลางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่เป็นกลางในการภาวนาพวกเราจะภาวนาจนกระทั่งวันหนึ่งใจของเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางตั้งมั่นไม่อินไม่อินกับอะไรเลยนะตั้งมั่นอยู่ยงั้นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ใจที่เดินมาถึงจุดนี้เป็นใจที่พร้อมต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานละ นั้นที่เราภาวนาบูบบ้บาบๆาลืมเนื้อลืมตัวอะไรไม่เกี่ยวกันนิพพานออกนะนั่นมันใช้ไม่ได้ขาดสติซะละมากฝึกเจริญสติไปมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปเรื่อยถ้าไม่เป็นกลางขึ้นมารู้ว่าไม่เป็นกลางมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างเป็นกลางไปเรื่อยรู้ไปรู้ไปนะ วันหนึ่งก็รู้แจ้งเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาตัวเราที่แท้จริงไม่มีความเป็นตัวตนนั้นเกิดจากความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นขณะขณะเท่านั้นเองพอเห็นแจ้งนะตัวเราไม่มีก็ได้พระโสดาบันแดโมงเอา้าเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์